เรื่องหลวงตามาโปรดโดยคุณเล็กน้องคุณสู้ข้าพเจ้าชื่อเล็กเป็นลูกอีสานโดยกำเนิดชีวิตตอนต้นก็คลุกอยู่กับกลิ่นอายบ้านนอกท้องทุ่งท้องนาวัวควายในตอนเช้าจะเห็นชาวบ้านคนแก่คนเฒ่านึ่งข้าวเหนียวสะพายกระติบข้าวไปใส่บาทพระแทบทุกวัน พอโตขึ้นชีวิตต้องหันเหเข้ามาเรียนในกรุงเทพรู้สึกคิดถึงชีวิตในชนบทมากเพราะเป็นชีวิตที่สงบเรียบง่ายและยังได้อยู่ใกล้วัดป่าด้วยโดยเฉพาะทางภาคอีสานมีวัดป่าสายหลวงปู่มั่นอาทิวัดถ้ำกลองเพลนวัดป่าบ้านตาดก็ได้มีโอกาสกราบหลวงตาบ่อยพอสมควรตามโอกาสโดยเฉพาะในช่วงใบใๆในเขตอุบาสิกา มีวันหนึ่งองค์หลวงตาได้ไปสำรวจเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลสีชมพูจังหวัดขอนแก่นถ้าจําไม่ผิดเพื่อดูว่ายังขาดอะไรบ้างและรถที่หลวงตานั่งได้แวะมาเติมน้ํามันที่ปั๊มของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามองไปเห็นหลวงตานั่งอยู่ในเบาะหลังของรถในใจข้าพเจ้าคิดว่าต้องเป็นองค์หลวงตามหาบัวแน่ท่านไม่เคยรู้จักข้าพเจ้ามาก่อนข้าพเจ้าได้ไปบอกให้ญาติพี่น้องให้มารวมกัน แล้วกราบองค์หลวงตาที่พื้นปูนบริเวณลานปั๊มหลวงตาท่านเมตตามากพูดคุยกับทุกคนและให้พรท่านถามว่าร้านชื่ออะไรก่อนที่จะกลับวัดป่าบ้านตาดอีกไม่นานต่อมาหลวงตาท่านได้ไปตรวจดูเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลแถวจังหวัดเพชรบูรีถ้าจำไม่ผิดนะเพราะเหตุการณ์เกิดมานานหลายปีแล้วขากราบท่านแวะมาครั้งเนี้ยเหมือนท่านเจาะจงมาแผ่เมตตาให้เป็นพิเศษ คือท่านเข้ามาในบ้านคุยด้วยประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมง ก, กว่าด้วยท่านไม่สวมแม้กระทั่งรองเท้าเดินไปชี้บริเวณรอบๆ บ, บ้านถามสารทุกสุกดิบว่าอยู่กันอย่างไรก่อนที่หลวงตาจะเป็นองค์ประธานโครงการผ้าป่าช่วยชาติองค์ท่านมีเวลามากกว่านี้เช่นช่วงบ่ายๆท่านจะลงไปเดินตรวจบริเวณต่างๆในเขตอุบาสิ ก, กาพวกผู้หญิงที่ปฏิบัติธรรมในนั้น ก็จะนิมนต์ท่านฉันน้ำปานะท่านมักจะเล่าเรื่องต่างๆที่องค์ท่านประสบมาจากการปฏิบัติธรรมความทุกข์ยากในสมัยที่ท่านออกธุ ด, ดงท่านจะเล่าเป็นเกร็ดให้ฟังวกกลับมาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของข้าพเจ้าเมื่อประมาณพศ2537ช่วงประมาณเดือนกุมภาหรือมีนาจําไม่ค่อยได้แน่คือเมื่อองค์หลวงตามาเมตตาที่บ้านได้ไม่นาน ก็มีเหตุอันไม่คาดฝันเกิดขึ้นในขณะที่รถน้ำมันบรรทุกน้ำมันามัน3 2ง0 0ลิตรทั้งน้ำมันวัยไฟและดีเซลได้ทำการถ่ายน้ำมันลงสู่ถังใต้ดินปรากฏว่าได้เกิดการสปาร์กระหว่างไอระเหยของน้ำมันวัยไฟกับเปลวไฟซึ่งหลังเกิดเหตุจึงได้รู้ว่าเป็นไฟย่างหมูแดงของคนข้างบ้านเกิดระเบิดเสียงดังมากมีเปเลวไฟลุกเพืบขึ้นสูงประมาณตึกสามชั้น ช่วงเวลานั้นข้าพเจ้านั่งอยู่ในบ้านกับแม่และพี่สาวคนหนึ่งส่วนพี่สาวอีกสองคนอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งอยู่บริเวณติดกันพี่คนที่อยู่ในเหตุการ์ร้องตะโกนด้วยความตกใจอย่างสุดขีดส่วนอีกคนหนึ่งอยู่ในห้องกระจกซึ่งปิดประตูอยู่จึงไม่ค่อยได้ยินเสียงระเบิดได้ถือถังดับเพลิงเล็กๆวิ่งออกมาและลื่นล้มลงที่พื้นเป็นเหตุให้ไฟไหม้ลวกเท้าทั้งสองข้าง ส่วนตัวข้าพเจ้านั้นตกใจมากรีบนำแม่ขึ้นรถและขับพาออกไปฝากกับคนข้างบ้านไว้ได้อธิษฐานจิตและเปล่งเป็นคำพูดออกมาคือหลวงปู่หลวงตาช่วยลูกด้วยจากนั้นก็ขับรถไปแจ้งที่สถานีตำรวจให้นำรถดับเพลิงมาช่วยโดยด่วนแล้วเหตุการณ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้ก็เกิดขึ้นนั่นคือพอข้าพเจ้าขับรถกลับมาถึง ปรากฏว่าไฟดับหมดแล้วราปราฏิหารพี่สาวเล่าว่าคนขับรถน้ำมันสติดีมากได้ปิดวาล์วที่น้ำมันไหลลงสู่ถังใต้ดินและเบรงรถออกจากบริเวณที่ไฟกำลังไหมอยู่ทุกอย่างจึงสงบเร็วเกินคาดฝันเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปสองสมวันเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นผ้าเหลืองผืนใหญ่มากลอยอยู่บนท้องฟ้ารวสวัยอยู่เหนือบริเวณบ้านของข้าพเจ้า เขาพูดกันว่าปฏิหารมากๆที่เกิดไฟไหม้และมีเสียงระเบิดด้วยแต่สงบได้ในเวลาอันรวดเร็วจริงๆใครจะเชื่อหรือไม่ก็ตามข้าพเจ้าว่าเป็นความเมตตาอย่างหาที่สุดไม่ได้ขององค์หลวงตาที่มาเหยียบแผ่นดินบริเวณบ้านก่อนเกิดเหตุไฟไหม้จึงทำให้อุบัติภัยนี้สงบอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมาย ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าให้เพื่อนๆ พ, นพี่พี่น้องๆรู้คือตอนที่โครงการพระป่าช่วยชาติยังไม่ปิดข้าพเจ้าไปอยู่ต่างประเทศในช่วงพศ2544ถึง2545พอกลับมาเยี่ยมบ้านเพื่อนๆพืนก็นชวนให้ไปแจกต้นพระป่ากันข้าพเจ้ายินดีมากที่จะได้ไปช่วยแจกต้นพระป่าในคืนวันหนึ่งข้าพเจ้าฝันว่าได้ไปกราบหลวงตาท่านนั่งเขี้ยวมากเหมือนกับที่เราเห็นท่านทาทุกครั้งที่เราไปกราบ ในฝันนั้นหลวงตาท่านขายคำหมากที่เคี้ยวและยืนในข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ตื่นจากนั้นในจิตใจของข้าพเจ้าเฝ้าแต่อยากจะไปกราบองค์ท่านมากแต่หัวหน้าที่นำแจกต้นพะป่าบอกว่าถ้าแจกต้นพะป่าไม่หมดก็จะยังไม่กลับสวนแสงธรรมในเวลานั้นพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าแล้วข้าพเจ้าได้แต่คิดในใจว่าจะได้กราบหลวงตาไม่เนาะพอดีกับว่า แม้ต้นพับป่าไม่หมดแต่โบชัวที่จะแจกให้คนทราบว่าท่านจะไปเทศรับพระป่าที่ไหนอย่างไรเกิดหมดหัวหน้าแจกต้นพป่าจึงพาไปกราบ ห, หลวงตาที่สวนแสงธรรมข้าพเจ้านั่งรอเพื่อที่จะเอาคำหมากตามในฝันจนเหลือผู้คนเบาบางไม่กี่คนในที่สุดองหลวงตาก็ชี้มาและถามว่าคนนี้ใครคุณคุณหน้าข้าพเจ้าปิติมากกราบเรียนท่านว่า ไปอยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาเยี่ยมบ้านจึงมาแจกพัะป่าช่วยชาติท่านบอกว่าดึกแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ข้าพเจ้ายังอยากได้คำหมาของท่านจึงขอกระโถนคำหมาของท่านท่านบอกว่ามันเป็นของทิ้งให้กลับไปภาวนาข้าพเจ้าเข้าใจความหมายที่พระหลวงตาพูดจึงกราบลากลับบ้านตามที่ท่านบอก บทความโดยคุณเล็กน้องคุณสู้เสียงอ่านโดยโจโฉ ไม่เกิกัได้ยังไงสิ่งที่เอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรนเใครทไกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทต้องทน ได้แต่โทษฟ้าทษดาวในความจริงที่เป็นทุกอย่างด้มาเพราะเธอจะร้าจะดีมัอยู่ท่ตัวนันเองอยาให้ลองดูเรื่องกการกระทัของเธอคิดในใจ อาจคอยสมพลไร้ไร่อาจลึกลับแต่มั่นคงกัการส่งคนของกันจะทำอะไรทำดีหรือแลวคนไมนคือกัน